ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่าที่จะมีคุณค่าเท่ากับความสงบของใจเพราะความสงบของใจนำความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงมาให้แก่พวกเรา และเป็นความสุขที่จีรังถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่ไปกับใจไปตลอดเป็นบรมสุขเป็นปรมังสุขขังเป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นอนิจจังทุกขขังอนัตตาไม่เหมือนกับความสุขต่างๆที่พวกเรา กำลังมีอยู่ในขณะนี้ความสุขที่พวกเราได้รับจากลาบยศสรรเสริญความสุขที่เราได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะต่างๆล้วนเป็นความสุขที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาพราะเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวร เป็นความสุขชั่วคราวจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปจะต้องมีการพัดพรากจากกันไปเวลาที่เกิดความเสื่อมเกิดการพัดพรากจากกันก็เป็นเวลาของความทุกข์ใจแต่ความสุขที่ได้จากความสงบของใจนี้ เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีเสื่อมไม่มีหมดอันนี้เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังมาหากันกำลังมาสร้างกัน คือความสงบของใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขท้งปวงนัตสันติปารังสุขขังไม่มีสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบการที่พวกเราจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เราก็ต้อง ศึกษาว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้การขั้นตอนขั้นแรกของการเข้าสู่การไปสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ก็คือก็อยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่การฟังเทศฟังธรรมอยู่ที่การอ่านหนังสือธรรมเพราะถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่อ่านเราไม่ฟังธรรมเราจะไม่รู้จักวิธีที่จะสร้างความสุข ที่จะทำให้ใจของเราสงบที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแต่นอนขั้นแรกที่พวกเราต้องทำกันก็คือศึกษาฟังเทศฟังธรรมกันการฟังเทศฟังธรรมที่จะทำทาให้ได้เกิดประโยชน์ ได้ความรู้ที่ถูกต้องเราต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบร่างกายก็ต้องนั่งเฉยๆไม่ควรจะทำอะไรวาจาก็ไม่ควรที่จะพูดคุยกันใจก็ต้องนิ่งจดจ่ออยู่กับการฟังทำเพียงอย่างเดียว ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะไม่ได้ฟังธรรมนั่นเองได้ฟังแต่เสียงแต่ไม่ได้เอาเข้าสู่ใจเพราะการจะเอาธรรมเข้าสู่ใจได้ต้องมีการพิจารณาตามเวลา ได้ยินได้ฟังอะไรก็ต้องพิจารณาตามถึงจะเกิดความเข้าใจถ้าไม่พิจารณาตามมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นก็จะได้ยินแต่เสียงแต่จะไม่ได้เข้าใจความหมายของเสียงธรรมว่ามีความหมายว่าอย่างไรงการฟังธรรมนี้ถ้าจะให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ต้องฟัง ด้วยศีลด้วยสมาธิศีลก็คือความสงบกายและวาจาร่างกายนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรวาจาไม่พูดอะไรสมาธิคือใจที่สงบใจไม่คิดอะไรใจคิดอยู่กับรรมที่ฟังเพียงอย่างเดียวถ้าฟังแบบในลักษณะนี้ ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยเช่นในสมัยพระพุทธการสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในช่วงแรกๆพระองค์ทรงมุ่งไปแสดงธรรมให้แก่ผู้ที่มีศีลมีสมาธิแล้วเช่นกลุ่มแรกที่ทรงไปแสดงก็คือพระปัญจวคีพระปัญจวคีนี้ได้ ได้บวชแล้วมีศีลแล้วมีกายวาจาที่สงบใจก็นิ่งมีสมาธิมีฌานเวลาฟังธรรมนี้ท่านจะนั่งเฉยๆไม่พูดไม่คุยกันไม่ทำอะไรใจก็ไม่คิดอะไรใจจะคิดพิจารณาแต่ธรรมที่กำลังได้ยินได้ฟังในขณะนั้นพอได้พิจารณาตาม ด้วยใจที่สงบใจก็สามารถที่จะบรรลุธรรมขึ้นมาได้แต่ต้องเป็นธรรมของผู้ที่รู้จริงเห็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมแท้ธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นมาด้วยพระองค์เองแต่ถ้าผู้แสดงเป็นผู้ที่ไม่ได้บดรรลุธรรม ไม่ได้รู้ทมเห็นธรรมด้วยตนเองเพียงแต่รู้ธทมจากการได้อ่านได้เรียนได้ศึกษาแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้บรรลุธรรมธรรมนั้นจะไม่สามารถทำให้ผู้ฟังบรรลุธรรมได้เพราะยังไม่ได้เป็นธรรมแท้ธรรมจริงเป็นธรรมที่เกิดจาก จินตนาการของผู้ฟังจากการได้อ่านได้ฟังถึงแม้ว่าได้อ่านได้ฟังทาแท้มาแต่เมื่อเอามาถ่ายทอดให้กับตนเองและกับผู้อื่นก็จะถ่ายทอดด้วยจินตนาการซึ่งเป็นไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงการฟังธรรมจะให้บรรลุธรรมได้ จึงต้องฟังจากผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยรสงฆ์สาวกทั้งหลายถ้าได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านก็จะได้บรรลุธรรมในระดับที่ท่านได้บรรลุกันพระอริยรบุคคล น, นี้มีอยู่สี่ระดับคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต ถ้าฟังธรรมจากพระโสดาบันเราก็จะได้ทำระดับขั้นโสดาบันเท่านั้นจะไม่สามารถได้ทำระดับสกิทาคามีอนาคามีหรือขั้นของพาอาาระอรหันต์เพราะพระโสดาบันนี้ท่านบรรลุแค่ขั้นโสดาบันเท่านั้นท่านก็จะสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำในทำระดับขั้นโสดาบัน ถ้าให้ท่านแสดงในระดับสกิดาคามีอนาคามีหรืออรหันต์ก็จะเป็นการคาดคะเนของท่านซึ่งมันจะไม่ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงนี้จะต้องเกิดจากการได้รู้จริงเห็นจริงได้บรรลุธรรมจริงๆนี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรม ที่จะทำให้เกิดบรรลุธรรมหรือไม่เกิดการบรรลุธรรมขึ้นอยู่กับผู้แสดงและผู้ฟังผู้ฟังก็ต้องมีพื้นฐานรองรับธรรมเหมือนกับมีภาชนะเวลาที่เราจะไปตักอาหารเราก็ต้องมีจานถ้าเราไม่มีจานมีมือเปล่าเปล่าเราก็ไม่สามารถที่จะตักอาหาร ใส่ภาชนะอะไรได้เพราะเราไม่มีภาชนะมีแต่มือมือเปล่าๆก็ถ้าจะใส่ก็ใส่ได้ชิ้นสองชิ้นหยิบได้ชิ้นสองชิ้นแต่ไม่สามารถที่จะหยิบได้ทั้งหมดภาชนะของการฟังธรรมของผู้ที่จะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมนั้นก็คือต้องมีกายวาจาใจที่สงบ คือมีศีลมีสมาธิศีลต้องบริสุทธิ์แล้วจิตก็ต้องรวมเป็นสมาธิจิตต้องค่อยคยรวมเป็นสมาธิจิตมีอัปปนาสมาธิอยู่ถ้ามีอย่างนี้อย่างพระปัญจวคีนี้ท่านมีศีลที่บริสุทธิ์และท่านมีอัปปนาสมาธิท่านเข้าฌานได้ เวลานั่งฟังสมาธินี้จิตของท่านจะสงบจะนิ่งจะไม่มีการคิดปรุงแต่งจะมีแต่การพิจารณาธรรมที่ได้ยินได้ฟังถ้าธรรมนั้นเป็นธรรมแท้ธรรมจริงก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ดังั้นการจะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่ฟังธรรมและผู้ที่แสดงธรรมด้วย ผู้ที่ฟังธรรมต้องมีภาชนะมาลองรับธรรมคือต้องมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิผู้แสดงธรรมก็ต้องเป็นผู้บรรลุธรรมและธรรมที่ผู้ฟังจะบรรลุได้ก็ขึ้นอยู่กับธรรมที่ผู้แสดงจะแสดงถ้าผู้แสดงมีธรรมเพียงระดับโสดาบันผู้ฟังก็จะบรรลุได้เพียงระดับโสดาบัน ถ้าผู้แสดงมีธรรมระดับสกิดาคามีผู้ฟังก็จะบรรลุได้ในระดับสกิดาคามีถ้าผู้แสดงมีธรรมระดับอนาคามีผู้ฟังก็จะสามารถบรรลุในระดับอนาคามีได้และถ้าผู้แสดงมีธรรมในระดับอรหรันต์ผู้ฟังก็จะสามารถบรรลุเป็นพออระอรหันต์ได้ในขณะที่ฟังเลย เพราะมีการบรรลุธรรมในขณะที่ฟังมาแล้วในสมัยพระพุทธการเพราะผู้ฟังก็คือผู้ฟังก็คือพระปฏิบัติทั้งหลายพระที่มีศีลบริสุทธิ์พระที่มีฌานมีสมาธิมีอัปปนาสมาธิส่วนผู้แสดงก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาลหลันตัสสาวกทั้งหลาย จึงไม่เป็นเรื่องแปลกเลยที่ในยุคแรกๆของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะมีผู้บรรลุธรรมกันได้อย่างรวดเร็วเพียงระยะแดเดือนแรกของการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าคือเริ่มต้นที่วันวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนแปดที่เราเรียกว่าวันอาสาหะบูชา ไปจนถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามที่เราเรียกว่าวันมาคาบูชาเป็นเวลาเจ็ดเดือนด้วยกันก็มีพระอาหารหันต์อยู่ในโลกปรากฏขึ้นมาในโลกนี้อย่างน้อยก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปทําไมเรารู้ว่ามีพระอาหารหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปก็เพราะในวันมาคาบูชานั้น เป็นวันที่มีพระอาหารหันตสาวกที่อยู่ตามสารทิตต่างๆได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนพระที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าหนึ่งรห้ารูปนี้เป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นและเป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อุปสมบทให้บวชให้เป็นผู้ที่บรรลุ เป็นพระอาหารจากการฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี่คือการฟังธรรมที่เป็นกุญแจดอกแรกที่เราจะต้องมีกันถ้าตอนนี้เรายังไม่มีศีลที่บอยสุด์ยังไม่มีสมาธิการฟังธรรมของเรานี้จะยังไม่ทำให้เราบรรลุได้ แต่จะเป็นประโยชน์ในระดับที่ให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปเราก็ต้องมาไขาควรดูศีลของเราว่าเรามีศีลบริสุทธิ์หรือไม่ศีลห้าเราบริสุทธิ์หรื อ, อยังเมื่อศีลห้าบริสุทธิ์แล้วเรามีศีลแปดหรื อ, อยังถ้าเรายังไม่มีศีลแปดเราก็ต้องเพิ่มศีลแปด ต้องรักษาศีลแปดเพราะศีลที่จะทําให้เราบรรลุธทําได้นี้ต้องขึ้นไปในระดับศีลแปดเพราะถ้าไม่มีศีลแปดนี้จะยากต่อการเจริญสมาธินั่นเองยากต่อการทําใจให้สงบเพราะศีลห้านี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้เราไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเช่นการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเรา การรับประทานอาหารตามความอยากได้ทุกเวลาการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากการดูหนังฟังเพลงร้องราทําเพลงจากการไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆจากการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจากการแต่งเนื้อแต่งตัว แต่งหน้าทาปากทำเเผ า, าทำผมจากการหลับนอนมากเกินความต้องการของร่างกายกิจกรรมเหล่านี้ก็จะเอาเวลาของการที่เราจะมาเจริญสมาธิกันไปหมดจิตของเราก็เลยไม่เคยรวมกันไม่เคยเป็นอัปปนากันนั่งสมาธิก็สงบเพียงผิวเผิน สงบในลักษณะไม่พุ้งซ่านแต่ไม่ดิ่งลงถึงจุดอัปปนาจุดที่จิตเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ถ้ายังไม่ได้ทำสองระดับนี้คือศีลก็ต้องศีลแปดขึ้นไปแล้วก็สมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ดิ่งลงสู่ความเป็นหนึ่งสู่ความ เป็นอุเบกขาถ้ายัางไม่ได้ศีลและสมาธิปัญญานี้ยังจะไม่สามารถที่จะทำให้จิตบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ถึงแม้จะได้ยินได้ฟังวิธีการใจ้ที่จะบรรลุธรรมขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันก็ตามแต่จิตจะไม่มีกำลังที่จะ กำจัดสังโยชน์หรือกิเลสตัณหาที่เป็นตัวฝางกั้นการบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้เพราะกำลังของจิตไม่พอกำลังของจิตก็คือสมาธิหรืออุเบกขานี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่จะขาดกันปัญญานี้เราไม่ขาดเราได้ยินฟังได้ยินได้ฟังธ ร, รมอยู่ อย่างต่อเนื่องอยู่เกือบตลอดเวลาเรารู้ว่าอะไรเป็นตัวที่จะทำให้เราทุกข์กันแต่เรายังไม่มีกําลังที่จะกําจัดมันพรเราไม่มีสมาธิไม่มีความสงบและการที่เราไม่มีความสงบก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีเวลามาเจริญสมาธิกัน เราเอาเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนเอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเอาเวลาไปหาความสุขจากการหาลาบยศสรรเสริญเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้เป็นอัปปนาสมาธิก็ไม่สามารถเป็นไปได้ ถ้าใจไม่ได้อยู่ในระดับอัปปนาสมาธินี้จะไม่มีกำลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาต่างๆได้ถึงแม้จะมีปัญญารู้ว่ากิเลสตัณหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์และการทำตามกิเลสตัณหาไม่ได้เป็นการนำไปสู่ความดับทุกข์แต่เป็นการไปสู่การสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้น แต่เราก็จะไม่มีกําลังที่จะกําจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากายได้เวลาเราฟังธรรมเราได้ปัญญากันเราได้ยินได้ฟังว่าต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้เกิดจากกิเลสตัณหานี้เองไม่ได้เกิดจากอะไรหน้าการที่เราจะหยุด ความทุกข์ต่างๆบรรลุธรรมขั้นต่างๆนี้เราต้องหยุดกิเลสตัณหากันแต่เราก็ไม่มีกำลังที่จะหยุดมันแต่ถ้าเราสามารถนั่งสมาธิแล้วหยุดความคิดปรุงแต่งทาจิตให้สงบให้นิ่องได้ตอนนั้นเราก็หยุดกิเลสตัณหาได้แล้วถ้าเรารู้ว่ากิเลสตัณหาเป็นต้นเหตุของ ความทุกข์ของการไม่บรรลุทำขั้นต่างๆถ้าเรามีกําลังหยุดกิเลสตัณหาได้แล้วพอกิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาเราก็หยุดมันทันทีเราไม่ทําตามทันทีด้วยปัญญาด้วยการด้วยการรู้ว่าการทําตามกิเลสตัณหานี่เป็นการพาไปสู่ความทุกข์ไม่ได้พาไปสู่ความสุขเราก็จะสามารถหยุดกิเลสตัณหา ได้อย่างถาหวานแต่ถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมมาก่อนไม่ได้ยินเรื่องปัญญามาก่อนไม่ได้ยินเรื่องกิเลสตัณหาว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์แล้วเราได้ฝึกนั่งสมาธิทาใจให้สังรวมเป็นอัปปนาได้หยุดกิเลสตัณหาได้เราก็ยัง ไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสตัณหาได้อย่างถาวรเราก็จะหยุดมันในขณะที่เรานั่งสมาธิและเวลาที่เรานั่งสมาธินี้เราก็ไม่ได้รู้ว่าเรานั่งเพื่อหยุดกิเลสตัณหาเรานั่งเพื่อความสุขใจสบายใจเวลาใจสงบแล้วเรารู้สึกมีความสุขมีความสบายสาเหตุที่ใจเราสุขสบายก็เพราะว่าไม่มีกิเลส กิเลสตัณหาถูกกดเอาไว้ด้วยกําลังของสตินี้เองแต่พอเราออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาก็จะออกมาต่อแล้วมันก็จะมาชวนให้เราไปหาความสุขต่างๆถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามาก่อนไม่มีปัญญาเราก็จะทําตามกิเลสตัณหาเพราะเราคิดว่ามันเป็นการหาความสุขนั่นเอง พอออกจากสมาธิมาพอเกเลตตัณหาชวนให้ไปดูภาพยนตร์ชวนให้ไปเที่ยวเราก็จะไปชวนให้เราไปกินไปดื่มไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> เราก็จะไปกันเพราะเราคิดว่ามันเป็นวิธีหาความสุขนั่นเองเราก็จะไม่ได้กําจัดกิเลตตัณหา เหมือนในยุคที่พระพุทธเจ้ายัางไม่ได้ทรงตัดสรู้เนี่ยพวกที่เขาได้สมาธิกันนี้เขาก็ยังไม่สามารถทําลายกิเลสตัณหาให้หมดไปได้อย่างถาวรเวลาอยู่ในสมาธิเขาก็กดมันไว้ได้หยุดมันได้ชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอกิเลสตัณหาเริ่มทำงาน มันก็เริ่มสร้างความขุ่นมัวสร้างความไม่สบายใจให้กับเขาแต่เขาก็ไม่รู้วิธีที่จะกำจัดกิเลสตัณหาเพราะไม่รู้ว่าออะไรเป็นต้นเหตุของกิเลสตัณหาเอคือความหลงอความหลงที่ไปคิดว่าการทําตามกิเลสตัณหาจะนําความสุขมาให้ เขาก็เลยยังทําตามกิเลสตัณหาอยู่แล้วแทนที่จะได้ความสุขทาวรก็กลายเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ตามมาเวลาที่ความสุขชั่วคราวนั้นหมดไปแต่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรู้ว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากกิเลสตัณหาเวลาที่ กิเลสตัณหาชวนให้เราไปทําอะไรเราต้องไม่ไปทําเราต้องฝืนกิเลสตัณหาไม่ทําตามกิเลสตัณหาเพราะการทําตามกิเลสตัณหานําไปสู่ความทุกข์ตอบในบ้านปลายในเบื้องต้นก็จะได้ความสุขอยากได้อะไรพอได้มาก็มีความสุขแต่พอสิ่งที่เราได้มาจากเราไปหรือตายไปดับไป ความสุขนั้นก็จะหายไปลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เป็นการทำลายกิเลสตัณหาด้วยปัญญาทำลายอย่างถาวรคือให้เห็นว่ากิเลสตัณหานี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ไม่ใช่เป็นต้นเหตุของความสุขอย่างที่พวกเราคิดกันพวกเราเวลาเกิดความอยากนี้เราก็ทำตามความอยากกัน เพราะทแล้วเราได้ความสุขกันแต่มันเป็นความสุขปลอมเท่านั้นเองเป็นความสุขชั่วคราวแล้วไม่นานมันก็หายไปแล้วก็ทําให้เราเกิดความทุกข์ตามมาต่อไปนี่คือเรื่องของการศึกษาธรรมเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีสร้างความสุขที่แท้จริง ก็คือความสงบและพอเราได้ความสงบแล้วก็ต้องรู้จักวิธีรักษาด้วยการทำลายข้าศึกศัตรูของความสงบก็คือกิเลสตัณหานั่นเองเวะลาใจสงบนี้กิเลสตัณหาไม่ทำงานแต่พอใจออกจากความสงบมากิเลสตัณหาก็จะทำงานทันทีพอกิเลสตัณหาทำงาน ความสงบก็จะหายไปความวุ่นวายใจก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าอยากให้ใจสงบก็ต้องฝืนการกระทำตามกิเลสตัณหาอย่าไปทำตามความโลภทำตามความอยากถ้าทำแล้วจะทำให้ใจวุ่นวายต้องหยุดความโลภความอยากแล้วใจก็จะหายวุ่นวายถ้าทำตามมันก็หายวุ่นวายชั่วข่าวแต่กิเลสตัณหาไม่หาย เดี๋ยวกิเลสตัณหาก็โผ่มาใหม่ถ้าเราทำตามกิเลสตัณหาแต่ถ้าเราไม่ทำตามกิเลสตัณหาเวลากิเลสตัณหาอยากให้เราทำอะไรเราไม่ทำต่อไปกิเลสตัณหาก็จะหายไปหมดไปเช่นเราสูบบุหรี่เราอยากจะสูบบุหรี่ถ้าเราสูบบุหรี่ตอนที่เราอยากสูบและเราสูบตอนนั้นกิเลสตัณหาก็จะหายไปชั่วคราว ตอนที่เราสูบบุหรีเสร็จเราก็รู้สึกมีความสุขเพราะกิเลสตัณหาหยุดทํางานนั่นเองแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งกิเลสตัณหาก็จะทํางานใหม่จะอยากสูบบุหรีใหม่พอเกิดความอยากสูบบุหรีขึ้นมาก็เกิดความหงดหงิดเกิดความลาคาญใจขึ้นมาก็ต้องสูบบุหรีเพื่อที่จะได้ระ ง, งับความหงดหงิดความลาคาญใจ อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทำใจให้สงบอย่างถาวรวิธีจะทำใจให้สงบอย่างถาวรต้องไม่ทำตามความอยากเช่นพออยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบพอไม่สูบต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเองถ้าเราไม่ทำตามความอยากพอไม่ทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากก็จะหายไปจะเลิกสูบบุหรี่ได้ จะไม่เป็นาธาตุของการสบุรีกต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างของความอยากในเรื่องของบรีิแต่มันเป็นเหมือนกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นสุรายาเมาไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสิ่งของมันก็เป็นความอยากแบบเดียวกันถ้าอยากจะทำลายความอยากเหล่านี้ต้องไม่ไปทำตามความอยากเช่นอยากจะได้ของที่เราไม่จำเป็นจะต้องมี เราก็อยากไปทาตามความอยากนั้นพอเราไม่ทาแล้วความอยากนั้นต่อไปก็จะหมดไปแต่ถ้าเราทำมันก็จะมีให้เราอยากอยู่ได้เรื่อยได้ของสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ของสิ่งนั้นต่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความอยากนี่คือเรื่องของปัญญา ที่เราจะต้องมีควบคู่กับสมาธิถึงจะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาได้หมดไปจากใจถ้าเรามีแต่ปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็จะไม่มีกำลังสู้กับความอยากได้เราก็ต้องแพ้ความอยากความอยากได้อะไรเราก็ต้องยอมมันเพราะเราเวลาไม่ยอมมันนี้มันทรมานใจนั่นเอง แต่ถ้าเรามีสมาธินี้เราจะไม่ทรมานใจใจเราจะนิ่งจะเฉยได้จะไม่วุ่นวายจะไม่งดเหลียดกับความอยากอันนี้จะเกิดขึ้นก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติกันสำหรับผู้ที่มีสมาธิแล้วพอได้ฟังทำก็จะสามารถบรรลุธรรมได้เลยพอรู้ว่ากิเลสตัณหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ ก็ไม่ทําตามกิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็จะหมดกําลังไปความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาก็จะหายไปการบรรลุธรรมขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับเพราะทาทุกขั้นนี้ก็มีกิเลสตัณหานี้เป็นผู้ฝังเป็นผู้ที่ขวางกั้นไว้นั่นเอง ผู้ที่จะบรรลุทำขั้นต่างๆได้จึงต้องใช้ปัญญาและสมาธิควบคู่กันถึงจะสามารถที่จะทำลายกิเลสตัณหาได้เนี่ยสมาธิปัญญาที่ควบคู่กับสมาธินี่เราเรียกว่าภาวนาไมายะปัญญาภาวนาก็คือสมถาภาวนาก็คือสมาธินี้เองความสงบสมถาภาวนาคือการทำใจให้สงบ ปัญญาก็คือการรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากนั่นเองเช่นในธรรมขั้นของพระโสดาบันนี้ความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองพอเวลาแกน่นี้พวกเราจะทุกข์กันขึ้นมาทันทีเวลาจะตายนี้พวกเราจะทุกข์กันขึ้นมาทันที เพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายกันความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนี้เรียกว่ากิเลสตัณหามันทำให้ใจของเราทุกข์กันแต่ถ้าเรามีสมาธิและมีปัญญาที่จะสอนให้เรารู้ว่าเราต้องไม่ทำตามกิเลสตัณหาเราต้องไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเราต้องหยุดมันเราต้องไม่มีความอยาก ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความไม่อยากไม่แก่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจและความจริงของร่างกายก็คือมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่จรลังถาวรเป็นของที่เราไม่ควรที่จะไปเอามาเป็นของเราเพราะมันไม่สามารถเป็นของเราได้ มันจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งแต่ความอยากนี้มันอยากจะได้ร่างกายและพอได้ร่างกายมาแล้วมันก็อยากจะให้อยู่ไปเรื่อยๆอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ตายนี่พอเราเห็นด้วยปัญญาว่าอยากไม่ได้อยากเราจะทุกข์ร่างกายมันอยากยังไงมันก็ต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไร สู้หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายดีกว่าถ้ามีปัญญาและมีสมาธิควบคู่กันก็จะหยุดมันได้ถ้าปัญญาบอกว่าไม่ควรทำตามความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไปทำตามเหมือนหยุดมันปล่อยให้ร่างกายแก่ไปปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปปล่อยให้ร่างกายตายไปเพราะถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์ ถ้าไม่อยากแล้วมันจะไม่ทุกข์เนี่ยเพราะปัญญาบอกอย่างนี้แล้วใจมีสมาธิมีกําลังใจก็จะหยุดความอยากได้อันนี้ความทุกข์ก็จะหายไปแล้วความสงบก็จะโผล่ขึ้นมาความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะโผล่ขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่ร่างกายกําลังแก่กําลังเจ็บกําลังตาย แต่กับไม่ได้ทำใจให้ทุกข์ไปกับความแก่ความเจ็บความตายเลยถ้ามีสมาธิและมีปัญญาที่มีหรือที่เรียกว่ามีภาวนาไมายปัญญานี้เองตอนนี้พวกเรามีปัญญากันแต่ไม่ได้เป็นภาวนาไมายปัญญาเวลาเจอความเจ็บเจอความตายนี้ยังทุกข์กันอยู่เพราะว่าปัญญาของพวกเราตอนนี้เป็นเพียงสุตตะไมยปัญญา หรือจินตามยปัญญาสุตาก็คือปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังจากการฟังเทศฟังธรรมเป็นปัญญาที่บอกเราว่าความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ให้ได้แต่ถ้าเราไม่มีกาลังหยุด ความอยากนี้ด้วยการเข้าเข้าไปในสมาธิเราก็หยุดมันไม่ได้ไม่มีกำลังพอเราจึงต้องมาสร้างสมาธิกันสิ่งที่เราขาดตอนนี้คือสมาธิปัญญานี้เรามีสองระดับระดับสุดคืออยากการได้ยินได้ฟังจินตาเกิดจากการพิพนิจพิจารณาค่ายควรอยู่เนือง ทำที่เราได้ยินได้ฟังนี้ถ้าเราไม่เอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆมันก็จะลืมได้เราก็จะลืมว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่ถ้าเรามาคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้อง เ, อเราร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาเราห้ามมันไม่ได้เราอยากไม่ได้อยากแล้วจะทำให้เราทุกข์ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นจินตามยาปัญญาคือปัญญาที่คอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพราะการฟังธรรมฟังเพียงครั้งเดียวถ้าฟังแล้วเราไม่เอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ลืมว่าเราฟังอะไรไปเพราะว่าเราจะไปคิดเรื่องอื่นแทนคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วเราก็จะลืมเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมากัน ถ้าไม่อยากจะลืมเราก็ต้องเอามาไข้ขวนมาพ right. ิจารณาอยู่เรื่อยๆตามที่เราได้ยินได้ฟังว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าอยากจะดับถ้าไม่ต้องการให้มีความทุกข์ก็ต้องยอมรับความแก่ความเจ็บความตายต้องหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายให้ได้ถ้ายังอยากถ้ายังดับไม่ได้ก็แสดง ว่ายังไม่มีกําลังพอยังไม่มีสมาธินั่นเองเราก็เลยต้องมาเจริญสมาธิกันก่อนมาเจริญสติก่อนเพราะก่อนจะได้สมาธิก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้เราจึงต้องมาฝึกพุทโธกั น, นการระลึกถึงพุทโธพุทโธอยู่นี่เรียกว่าเป็นการเจริญสติ เพราะถ้าเรามีพุโทโธอยู่ภายในใจเราก็จะหยุดความคิดความอยากต่างๆได้เพราะเราจะไม่ไปคิดถึงเรื่องของความเจ็บเรื่องของความตายเรื่องของความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเราก็จะทำใจให้สงบได้แล้วพอเราทำใจให้สงบได้เราก็มีกําลังที่จะสู้กับความอยากได้เราก็เอาปัญญามาใช้ต่อ อปัญญามาใช่ว่าต่อไปนี้เราต้องไม่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันจะแกะ่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้เราต้องอยู่เฉยๆอย่าไปมีความอยากถ้าเรามีสมาธิเราก็จะอยู่เฉยๆได้ปัญญาจะสอนให้ใจเราอยู่เฉยๆเวลาที่พบกับความเจ็บพบกับความตายแล้วใจจะไม่ทุกข์ไม่มี ใจไม่สามารถทาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายได้ไม่สามารถไปทำให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายได้แต่ใจสามารถทำให้ใจไม่ทุกข์กับความเจ็บกับความตายได้ถ้ารู้จักวิธีอยู่เฉยๆอุเบกขาสักแต่ว่ารู้อันนี้จะอยู่เฉยๆได้ต้องมีสมาธิ แล้วการที่จะอยู่เฉยๆก็ต้องมีปัญญาสอนว่าอย่าไปทำอะไรอย่างอื่นทำไปก็ป่วยการเหนื่อยไปเปล่าๆรักษาร่างกายแทบเป็นแทบตายรักษาไงเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีถ้ามันจะตายไม่มีใครมาทำให้มันไม่ตายได้ถ้ามันจะไม่หายก็ไม่มีใครจะทำให้มันหายได้เงี้นเมื่อมันไม่หายเมื่อมันจะตายเราก็ต้องทำใจเฉยๆ แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแล้วเราก็จะผ่านขั้นโสดาบันไปได้เราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นเลยว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายและการหยุดความทุกข์หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่ตายก็หยุดด้วยสมาธิและปัญญานี่เองหรือภาวนาไมายปัญญาเมื่อเราเห็นธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราก็จะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าทำนี้มาจากใครถ้าไม่ได้มาจากพระพุทธเจ้าคือทุกสมุทัยนิโรธมากเลยนี่แปลว่ามาจากพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าต้องมีจริงเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มันเป็นจริงเป็นไปตามความเป็นจริงทุกทุกอย่าง ผู้ปฏิบัติได้พิสูจน์เห็นกับตาแล้วด้วยสันติโกเห็นแล้วว่าความอยากทำให้ทุกทรมานใจพออยู่เฉยๆไม่ไปอยากก็จะไม่ทุกทรมานใจไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายที่ไม่มีใครไปห้ามได้ที่จะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเขาก็จะไม่สงสัยในพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะไม่ สงจะไม่ไปทำพิธีดับความทุกข์ต่างๆด้วยด้วยการกระทําพิธีกรรมต่างๆด้วยการทําบุญสระเคราะห์หรืออะไรต่างๆซึ่งมันไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้วิธีที่ดับความทุกข์ภายในใจนี้ต้องดับด้วยภาวนามยัปัญญาเพียงอย่างเดียกก็จะไม่มีศีลพัฒนาปรมาสก็จะไม่ไปบําเพ็ญ ทำอะไรต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการบาเพ็ญภาวนามายปัญญามีภาวนามายปัญญาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ความไม่สบายใจได้การไปดูหมอให้หมอดูการไปทำพิธีกรรมสระเคราะห์ไหว้ลาหูหรือทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ใจได้ ถ้าดับก็ดับเพียงชั่วคราวเดี๋ยวความทุกข์มันก็โผล่ขึ้นมาใหม่เพราะว่าเดี๋ยวเจอความเจ็บเจอความตายใหม่มันก็จะทุกข์ขึ้นมาใหม่นี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เรารู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์และอะไรจะทำให้เราหยุดความทุกข์ได้ก็คือการมีสมาธิและมีปัญญานี่เอง ถ้ามีทั้งสมาธิมีปัญญาควบคู่กันเราก็เรียกว่ามีภาวนาไมยปัญญาพอมีภาวนาไมยปัญญาเวลาเกิดความทุกนี้ภาวนามยปัญญาจะค้นหาสาเหตุเลยก็จะเห็นว่าเกิดจากความอยากทั้งนั้นฉะั้นระดับของพระสกิดาคามีพระนาคามีก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่เป็นความทุกข์ที่ต่างจากความทุกข์ของของพระโสดาบัน ระโสดาบันนี้ทุกเพราะเรื่องร่างกายเรื่องความแก่ความเจ็บความตายพอมีปัญญาภาวนามยปัญญาก็ดับความทุก์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายได้แต่พอพอความทุกเกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายหมดไปก็ยังมีความทุกที่ยังไม่หมดอยู่ก็คือความทุก์ที่เกิดจากความอยากเสพกามเระปัดาบันนี้ยังมีความอยากเสพกามอยู่ ท่านจึงยังมีครอบครัวได้ท่านยังท่านยังจึงไปหาครอบครัวอยู่ยกเว้นถ้าเป็นพระถ้าเป็นพระก็ไม่ไปเป็นไปมีครอบครัวแล้วก็จะบําเพ็ญต่อไปให้ขึ้นสู่ทางขั้นสูงคือขั้นสกิทาคามีอนาคามีด้วยการาดับการอารมณ์ดับความอยากในรูปในร่างกายของผู้อื่นาการจะดับ ความอยากในร่างกายของผู้อื่นนี้ก็ต้องเกิดจากการเห็นว่าร่างกายของผู้อื่นนั้นไม่สวยงามนั่นเองน่าเกลียดน่ากลัวเช่นเห็นร่างกายของผู้อื่นนั้นเป็นซากศพไปหรือเห็นอาการสามสิบสองที่ถูกที่ถูกส่วนของผิวหนังและเนื้อหุ้มห่ออยู่ ถ้าแหวกเข้าไปข้างในก็จะเห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกายที่สวยงามภายนอกร่างกายนี้จะสวยงามภายนอกแต่จะน่าเกลียดน่ากลัวภายในถ้าสามารถมองทะลุเข้าไปข้างในได้ด้วยด้วยดวยสายตาของปัญญาปัญญานี้สามารถมองทะลุใต้ผิวหนังได้ตาตาธรรมดาตาเนื้อนี่มองไม่ได้ต้องใช้ปัญญา ปัญญาก็ต้องไข้กวนอาการสามสิบสองอยู่เรื่อยๆผมขนเล็บฟันหนังพอถึงหนังแล้วก็ไปเนื้อต่อไปเอ็นไปกระดูกไปม้ามไปปอดไปตับไปไตไปหัวใจไปลำไส้ต่างๆพอเห็นภายในก็จะเห็นร่างกายที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่ใช่เป็นร่างกายที่น่ารักน่าใครเลยก็จะสามารถที่จะกำจัด ความทุกข์ที่เกิดจากการมีการอารมณ์นี้ได้นี่ก็คือต้องใช้ภาวนามายปัญญาถึงจะสามารถทำได้ถ้ามีปัญญานัรื่อถึงอสุภะอย่างเดียวนี้แต่มันก็ยังสู้ถ้าไม่มีสมาธิก็จะสู้ไม่ได้กิเลสตัณหาก็ยังสามารถที่จะดึงให้เราไปเสพกามจนได้ นี่คือเรื่องของการใช้ปัญญาในการดับความทุกข์ในขั้นต่างๆขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามนี่จะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บความตายเกี่ยวกับเรื่องของความสวยงามความไม่สวยงามของร่างกายอันนี้ผู้ที่จะผ่านทำขั้นต่างๆไปได้นี้ต้องผ่านร่างกายไปก่อน ก่อนที่จะไปสู่ขั้นที่เหนือร่างกายถ้าปล่อยร่างกายได้ไม่ติดไม่ยึดไม่ติดไม่รักไม่หลงร่างกายแล้วก็ยังจะมีขั้นต่อไปก็คือขั้นจิตขั้นจิตที่ที่ยังมีกิเรตันหายังสร้างความทุกข์ให้กับผู้ปฏิบัติอยู่ผู้ปฏิบัติก็ต้องเข้าไปสู่ขั้นจิต เพื่อไปทำลายตันหาความอยากที่มีอยู่ในขั้นจิตนั้นต่อไปให้มันหมดไปพอทำลายได้หมดแล้วทีนี้ก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปใจจะสะอาดบริสุทธิ์ใจจะเป็นบร ม, มบร ม, มีสุขขึ้นมาจะสุขไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุด การปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นขั้นเป็นตอนแต่เวลาอ่านหนังสือศึกษาธรรมนี้แล้วอาจจะได้ยินได้ฟังธรรมทุกขั้นแล้วพอเรามาปฏิบัติเราก็อยากจะปฏิบัติตามความอยากของเราโดยที่ไม่รู้ว่าปฏิบัติไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้อยู่ขั้นนั้นเราจะไปปฏิบัติไม่ได้ถ้าเรายังอยู่ชั้นอนุบาลเราก็ต้อง อยู่ชั้นอนุบาลก่อนไม่ใช่อยากจะไปเรียนชั้นมัธยมเลยมันไปเรียนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเรียนไปก็ไม่สามารถที่จะสอบได้สอบก็จะสอบตกยิ่นกลับมาเรียนในในขั้นของเราก่อนดีกว่าขั้นของเราก็คือนี่ขั้นร่างกายก่อนเราปล่อยวางร่างกายได้หรื อ, อยังเรายังทุกข์กับร่างกายอยู่หรือไม่ หรือเราไม่ทุกข์แล้วเรายังมีความรักความใคร่ในร่างกายของคนอื่นอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังมีเราตัดได้หรื อ, อยังอันนี้ต้องผ่านขั้นร่างกายให้ได้ก่อนถึงจะไปสู่ขั้นจิตที่เขานิยมกันสมัยนี้เห็นชอบปฏิบัติจิตดูจิตกันเหลือเกินแต่ไม่รู้ว่าดูเพื่ออะไรดูเพื่ออะไรดูไปแล้วก็มามาติดอยู่ที่ร่างกาย ยังมากลัวเจ็บมากลัวตายอยู่ยังมามีความลากความค่ายในร่างกายของคนอื่นยังมาทุกกับร่างกายอยู่ไปดูจิตก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดูไปก็ไม่สามารถที่จะไปทำลายความอยากที่มีอยู่ภายในจิตได้เพราะมันละเอียดกว่ากันมันลึกกว่ากันเหมือนกับการเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเราเรียนอยู่ร ะ, ร ะ, ระดับปฐมนี่เราอย่าไป ไปเรียนในระดับมัธยมเลยเรียนให้จบระดับพถมก่อนแล้วค่อยก้าวขึ้นสู่ระดับมัธยมเพราะความรู้มันต่างระดับกันความสามารถของเรายัางไม่อยู่ในในระดับนั้นไปเรียนก็เรียนไม่ได้เรียนก็ไม่ผ่านไปดูจิตถ้ายังปล่อยวางร่างกายไม่ได้ก็อย่าไปดูเลยร่างกายมันยากมันง่ายกว่ายังปล่อยไม่ได้แล้วจะไปปล่อยจิตได้อย่างไร นี่คือปัญหาของผู้ปฏิบัติหรือผู้ศึกษาในสมัยนี้คือศึกษาปฏิบัติโดยไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีขั้นไม่มีตอนกันศึกษาไปแล้วก็อ่านไปแล้วแล้วก็เอาไปคาดคะเนแล้วก็เอาไปปฏิบัติแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกนั่งสมาธิก็ไม่รู้ว่านั่งเพื่ออะไรนั่งอย่างไรคิดว่านั่งหลับตา นั่งหลับตาแล้วก็ดูจิตไปแล้วก็เห็นหนูน่นเห็นหนี่ขึ้นมาแล้วก็เกิดความสงสัยต่างๆขึ้นมาว่ามันเป็นอะไรอันนี้ไม่ใช่เป็นการนั่งสมาธิเป็นการนั่งเพื่อสร้างความสร้างปัญหาให้กับตัวเองการนั่งสมาธินี้เพื่อกำจัดปัญหาปัญหาก็คือกิเลสตัณหา การจะกำจัดกิเลสตัณหาหรือคุมกิเลสตัณหาได้ก็ต้องนั่งด้วยสติต้องมีสติพุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธไปอนาปนาสติก็ดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าไปปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วผลิตสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมามาหลอกใจถ้านั่งโดยไม่มีสติควบคุมใจเดี๋ยวจิตมันก็จะสร้าง อะไรต่างๆขึ้นมาหลอกจิตให้คิดหลงไปว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาการนั่งนี้ต้องการนั่งให้จิตสงบให้จิตว่างให้จิตนิ่งให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้จิตมีพลังของอุเบกขาเือนิ่งเฉยสักแต่ว่ารู้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเพราะนี่คือกําลังของจิตที่เราจะเอาไปใช้ทำลายกิเลสตัณหาต่อไป เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเกิดความตายขึ้นมาเวลาเกิดการสูญเสียสิ่งที่เรารักไปบุคคลที่เรารักไปนีนใจจะไม่ยอมนิ่งใจจะอยากให้สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราคนที่เราเสียนี้กลับมาอยู่กับเราไม่อยากให้เขาจากไปทั้งๆที่เขาจากไปแล้วแล้วก็รู้ว่าให้เขากลับมาไม่ได้แต่ กิเลสมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังอยากจะให้กลับมาพอคิดถึงคนที่เรารักสิ่งที่เรารักไปนี่ใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่มีอุเบกขาไม่สามารถสั่งให้ใจสักแต่ว่ารู้เฉยๆได้ให้รู้ว่ามันไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เรารักเราชอบมันผ่านไปแล้วเอากลับมาไม่ได้แล้วเหมือนความฝันเมื่อคืนนี้ฝันดีขนาดไหนฝันว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ต่นขึ้นมามันก็หมดไปแล้วจะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปก็เป็นไม่ได้เพราะมันเป็นอดีตไปแล้วเป็นความฝันไปแล้วถ้ามีปัญญามันก็จะสอนใจว่ามันผ่านไปแล้วเป็นตายรักถ้ามีถ้ามีสมาธิก็จะหยุดอยากความอยากให้มันกลับมาได้นี่คือเรื่องของการศึกษา เพื่อให้รู้จักแนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วพอเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วเราก็จะได้รับผลคือได้บรรลุทำขั้นต่างๆแต่ถ้าเราศึกษาแล้วก็ไม่มีใครแนะแนวทางเอาสิ่งที่เราศึกษาได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติข้ามขั้นตอนอก็ไม่มีวันที่จะได้ผลแล้วยิ่งถ้ามีคนสอน ข้ามขั้นตอนด้วยแล้วไปเชื่อก็เลยยิ่งหลงกันใหญ่สมัยนี้ไม่มีใครสอนให้นั่งสมาธิกันสอนแต่ให้ดูจิตสอนแต่ให้เจริญปัญญาให้ศึกษาอาภิธรรมจะได้ปัญญาเมื่อได้ธรรมได้ปัญญาแล้วก็จะได้บรรลุธรรมเลยทำไมต้องมานั่งสมาธิให้เสียเวลาเปล่าๆนั่งสมาธิแล้วได้อะไรไม่เห็นได้อะไรมีแต่นิ่งเฉยๆเท่านั้น นั่นแหลสิ่งที่เราต้องการก็คือให้มันนิ่งเฉยเฉยเพราะเวลาต่อสู้กับกิเลสนี้จะสู้กับมันได้ก็ต้องนิ่งเฉยเฉยท่านันเองมันอยากเราก็ไม่ไปตอบสนองความอยากเราก็เฉยเฉยอยากจะกินเราก็ไม่กินอยากจะดื่มเราก็ไม่ดื่มอยากจะดูอยากจะฟังเราก็ไม่ดูไม่ฟังพอเราไม่ทาตามมันต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะหมดไป คนไม่รู้ว่าความคุณค่าของการมีสมาธินี่มันมีประโยชน์อย่างไรและการอยู่เฉยๆกันอยู่เนี่ยนี้มันเป็นความสุขยิ่งกว่าการได้ดูได้ฟังได้กินได้ดื่มได้ทำอะไรต่างๆเสียอีกเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้กันจึงมองไม่เห็นคุณค่าของการทำใจให้สงบของการมีสมาธิกันกลับไปเห็นคุณค่าของการมีปัญญาแต่ไม่สามารถทา ตามที่ปัญญาสอนให้ทําได้ก็คือหยุดความอยากต่างๆก็ยังอยากอยู่เหมือนกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกเวลาจะตายก็ทุกเวลาเห็นคนที่ชอบก็อยากจะให้เขามาเป็นแฟนอยากจะได้เขามาเป็นแฟนอพอไม่ได้ก็ทุกพอได้มาแล้วเดี๋ยวเขาจากไปก็ทุกอีกมันยังไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้ยังไม่มีวันที่จะหลุดพ้นเอ จากการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้ายังไม่สามารถาฝืนความอยากได้แต่ถ้ามีสมาธิและมีปัญญาควบคู่กันปัญญาจะสอนว่าอย่าทําตามความอยากอยาแล้วสมาธิก็จะทัดเชื่อก็จะ ด, ดึงใจให้อยู่เฉยๆถ้าไม่มีสมาธิ กิเลสมันก็จะมีกำลังมากกว่ามันก็จะไม่อยู่เฉยๆมันก็จะไปดึงใจให้ไปทําตามความอยากอยู่ดีนี่คือเรื่องของการ เ, าเข้าหาความสงบต้องเกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมที่ถูกต้องเอมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติตามขั้นตามตอนเพราะธรรมนี้มันเป็นเหมือน วิชาความรู้ที่เราจะต้องเรียนเป็นชั้นๆไปเรียนจากชั้นประถมไปสู่ชั้นมัธยมจากชั้นมัธยมไปสู่ชั้นอุดมศึกษาเพราะมันมีความยากง่ายต่างกันและกําลังของผู้ศึกษาปฏิบัติที่เริ่มต้นนี้จะมีกําลังน้อยก็เลยต้องเริ่มต้นในธทำที่ง่ายก่อนเป็นขั้นบันไดพอได้ทำที่ง่ายแล้วก็จะเป็น พลังให้ก้าวไปสู่ทำที่ยากกว่าขึ้นไปได้ตามลำดับเลยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำทานก่อนถ้ายัางยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยังโลภยังอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยังพึ่งเงินทองเป็นสาระอยู่ก็ให้เลิกพึ่งเสียแล้วถ้ายัางทาบาปอยู่ก็ให้เลิกทาบาปเมื่อเลิกทาบาปได้แล้วก็ให ถือศีลนักบวชอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายเมื่อหยุดได้แล้วก็จะได้มีเวลามาเจริญสติเพื่อมาหยุดความคิดหยุดความอยากเพื่อจะได้ความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบได้อุเบกขาแล้วพอได้ความสุขได้อุเบกขาแล้วเวลาเกิดตัณหาความอยากก็ฝืนมันอย่าไปทําตามมัน ด้วยการแนะนำของปัญญาว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขพอลมาฝืนความอยากทุกครั้งไปความอยากก็จะหมดกำลังไปในที่สุดแล้วพอไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กัดใจต่อไปใจก็จะสงบไปตลอดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการศึกษาและวิธีที่ถูกต้องและนำอาอกไปปฏิบัติอย่างถูกขั้นถูกตอนผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของการเข้าหาความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ศึกษาวิธีการที่ถูกต้อง แล้วนำเอาวิธีการที่ถูกต้องที่เราได้ศึกษานี้ไปปฏิบัตินะเมื่อเราปฏิบัติแล้วผลที่เราต้องการก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับนะคือความสงบขั้นต่างๆสงบตั้งแต่ขั้นทาทานสงบตั้งแต่ขั้นรักษาศีลสงบขั้นทาใจให้เป็นสมาธิสงบขั้นพระโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีและขั้นพระอรหันต์ตามลาดับ ไปจนถึงขั้นพระนิพพานอันนี้เกิดจากการที่เราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ศึกษาจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายแล้วนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่ไม่เลือกปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างนี้แต่ไม่ชอบปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ปฏิบัติ ถ้าเลอกปฏิบัติมันก็จะไม่ได้ผลนะครับต้องปฏิบัติให้ครบตามที่ที่ที่สอนให้ปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงอยู่เรื่อยๆแล้วพยายามนำเอาไปปฏิบัติตามกาลังของเราอย่าข้ามขั้นตอนถ้าเรายัง ยังทำขั้นนี้ไม่ได้อยากไปทำขั้นอื่นเลยทำไปก็ไม่เกิดประโยชนนะ์เพราะมันไม่มีกำลังพอที่จะทำไดนะ้ถ้าทำตามขั้นของเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปได้ตามลำดับเองแล้วเราก็จะสามารถทำได้ทำได้ได้รับผลอย่างอย่างอย่างแท้จริงนะนี่คือเรื่องของ ความสำคัญของการศึกษาของการฟังเทศฟังธรรมและของการปฏิบัติตามคำสั่งสอนอย่างเคร่งครัดเพื่อผลอันประเสริฐในโลกที่จะตามมาต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมท น, นาให้พรร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 ครับต่อไปเป็นคําถามจากทาง Facebook Live นะครับคําถามแรกจากคุณอุ๋ไลนะครับพระอรหันต์ที่ท่านละสังขารแล้วจิตก็สลายไปกับร่างของท่านหรือเปล่าคะถ้าจิตไม่สลายจะไปอยู่ที่ใดเจนก็อยู่ที่เดิมแหละจิตคำว่าเราทุกจิตนี่อยู่ที่เดิมอยู่ที่โลกทิพย์จิตไม่เคลื่อนไปไหนจิตไม่มีรูปร่างไม่มีร่างกายมันเลยไม่เคลื่อนมันอยู่ที่อยู่กับที่ แต่มันมีความคิดมันมีกระแสที่มันส่งเข้ามาเกาะติดกับร่างกายเพื่อมารับรู้ข้อมูลต่างๆของร่างกายแล้วก็ให้ร่างกายพาไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อจะได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่สำหรับพระอรหันต์นี่ท่านไม่มีความอยากที่จะาหาอะไรจากทางร่างกายไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรส ท่านก็เลยไม่ส่งกระแสจิตไปเกาะติดอยู่กับร่างกายก็เลยไม่มีการเกิดเ응ท่า น, นั้นเองจิตของท่านก็ยังอยู่ที่เดิมจิตของพวกเราก็อยู่ที่เดิมแต่จิตของพวกเราชอบส่งกระแสไปเกาะตามร่างกายต่าง <The> ๆแล้วก็ไปทุกข์กับเรื่องของร่างกายที่เราไปเกาะไปเกี่ยวด้วยเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องของร่างกาย พระหลานพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องของของร่างกายของความแก่ความเจ็บความตายท่านก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่โลกทิพย์เนี่ยจิตของพวกเราทุกดวงนี่อยู่ที่เดียวกันอยู่ที่โลกทิพย์เนี่ยโลกทิพย์นี้มันไม่ต้องมันไม่มันไม่ใหญ่มันไม่เล็กเพราะมันไม่มีจิตมันไม่มีขนาดเลยไม่ไม่รู้ว่ามันกว้างมันใหญ่หรือมันแคบมันลึกมันไม่มี มันไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีขนาดเหมือนกับร่างกายมันเลยไม่ต้องมีพื้นที่เหมือนกับร่างกายโลกทิพย์นี้เป็นโลกอีกโลกอีกแบบหนึ่งที่ผู้รู้คือจิตใจของพวกเราทุกคนอยู่ที่เดียวกันผู้ที่ฉลาดก็ไม่ส่งกระแสะจิตออกมาแบกความทุกข์ของร่างกายผู้ที่โง่ก็ชอบส่งกระแสะจิตไปเกาะติดกับร่างกายแล้วก็ไป ไปเคลมร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็มาทุกเวลาที่มันตายเวลามันเจ็บเนี่ยนี่ก็คือแค่นี้เอง คำถามจะคุณชวนนะครับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วสัญญาความจำก็จะหายไปหมดไหมเช่นลืมเรื่องอดีตจนหมดสิน้นหรือยังจำได้ขอกับเรียนถามพระอาจารย์ก็แล้วแต่ความจำของคนแต่ละจิตแต่ละดวงมีไม่มีมากน้อยไม่เท่ากันบางคนละเลึกชาติได้ชาติก่อนๆเคยเป็นอะไรยังนึกได้เิ่งมันไม่หมดอยู่ที่ ว่าจะมีความสามารถที่จะจำได้มากน้อยเท่าไหร่เท่านั้นเองคำถามจากคุณเนกโกะนะครับสวดมนต์ไม่มีสมาธิเลยค่ะใจคิดเรื่องอื่นสวดแต่ปากตามหนังสือสวดมนต์จะต้องสวดแบบไหนเจ้าคะก็สวดแบบไม่คิดจะได้จะถามอะไรสวดแล้วคิดมันก็ก็อย่าไปคิดมันสิให้มันอยู่กับบทสวด ถ้ามันคิดก็สวดช้าๆดูสิอะระหังสัมมาสัมพุทธโธไปเนี่ดูสิมันยังจะคิดได้บ้าต้องหาวิธีสิมันต้องผูกใจให้อยู่กับการสวดอย่างเดียวตอนต้นมันอาจจะแข่งกันก็อย่าไปสนใจขอให้เราเกาะติดอยู่กับบทสวดของเราไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับความคิดให้เอาความคิดเป็นเอาการสวดเป็นหลักส่วนความคิดถือว่าเป็นตัวมาคอยแทรก เราก็อย่าไปสนใจมันนะคำถามจากคุณดาราดนะครับทางภาคใต้กำลังประสบอุทกภัยฝนตกยึดเยื้อยาวนานบ้านพังทรัพย์สินและพืชผลเสียหายขาดแคลนอาหารและประสบภัยหนาวเย็นจึงขอเมตตาพระอาจารย์แนะการสร้างหลักแห่งใจให้ผู้ประสบภัยได้คลายทุกข์ลงบ้างเจ้าค่ะ ก็ทุกอย่างมันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันก็อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากแล้วมันก็จะไม่ทุกข์คำถามจะคุณรัต ด, ดานะครับขณะฟังทำมีความรู้สึกที่มาจากความคิดข้อที่หนึ่งปิติ ซาบซึ้งเกือบน้ำตาไหลเพราะเห็นด้วยกับเทศจิตมองไปที่ความรู้สึกทำให้หยุดฟุง้งไปกับความคิดได้สองเปลี่ยนอิริยาบถเป็นนอนฟังก็เห็นด้วยตลอดจนเคิมไปคิดเรื่องอาหารจนจับคำเทศไม่ได้แสดงว่า เป็นช่วงขาดสติเคิมหลับขอเรียนถามว่าเมื่อปกติช่วงทําสมาธิกลางคืนแล้วหลับไปแปลว่าจิตยังไม่รวมควรจะปฏิบัติช่วงใดคะก็ปฏิบัติถ้าได้ทุกช่วงมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติอย่าไปดูทีวีอย่าไปเล่่ิ่วอย่าไปเล่นกันพยายามปฏิบัติให้มากพยายามเจริญสติให้มากแล้วมันถึงจะรวมได้ คำถามจากคุณนัชชานนท์นะครับเมื่อเราได้แผ่เมตตาไปแล้วให้เทวดาหรือชาวโลกทิพย์อย่างนี้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาจะได้รับจากเราหรือไม่ก็ไปแผ่เขาทําไมเขายังไม่มาแล้วไปแผ่เขาแล้วมาถามว่าจะได้รับหรือไม่ไอคนอยู่ใกล้ตัวเราทำให้ไม่แผ่ คนที่เราเจอกันทุกวันเนี่ยเราต้องแผ่เจอใครก็แผ่สิไอคนที่ไม่เจอกลับไปแผ่มันจะจะไปได้เรื่องอะไรการแผ่เมตตาเนี่ยต้องมีคนรับไม่ใช่มาแผ่แบบลอยลอยชอบแผ่กันเหลือเกินเวลาอยู่คนเดียวไนหะว้พระสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิเสร็จแผ่กันใหญ่เลยแต่เวลาถึงเวลาจะแผ่จริงๆกับแผ่ไม่ออกเวลาใครด่าหน่อยก็ด่ากลับเลย ใครเขาทําอะไรไม่พอใจก็ด่าเขาเลยเนี่ยอันนี้มันไม่ได้แผ่เมตตาม เ, าเวลานั้นนะมันต้องแผ่เวลาโกรธใครเนี่ยต้องรีบแผ่ออย่าไปโกรธเขาให้อภัยเขาให้ความเมตตากับเขาเอหรือเวลาเรามีขนมนมเนยมีข้าวมีของเหลือกินเหลื อ, อใช้ก็เอาไปแบ่งปันกันเนี่ยตอนเนี้น้ําท่วมเนี่ยไปสิอยากจะแผ่เมตตาไปเลยซื้อข้าวซื้อของ ส่งไปให้กับสถานที่ที่เขารับส่งให้นี่แหละคือวิธีแผ่เมตตาไอ้มานั่งแผ่แบบไม่มีอะไรมารับแล้วก็ไม่มีอะไรให้เขามันไม่แผ่อะไรแผ่แต่ความคิดเท่านั้นเองมันไม่เกิดประโยชน์อะไรที่เขาให้สวดแผ่เมตตานี้เป็นการให้เตือนใจให้สอนใจให้รู้จักวิธีแผ่แต่ไม่ได้แผ่เข้าใจไมยังไม่ได้แผ่จะแผ่ก็ต่อเมื่อมีการพบปะกัน เจอใครเขาทุกข์ใจร้อนใจก็แผ่ให้เขาช่วยเหลือเขานี่เรียกว่าแผ่เมตตาอย่างตอนนี้อย่างที่บอกเนี่ยภาคใต้กําลังเดือดร้อนกันอยากจะแผ่เมตตาคว้ากระเป๋าเงินเลยที่ไหนเขาบริจาค ก, ก็โอนเงินผ่านทาง อ, อินเทอร์เน็ตเลยอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่มานั่งแผ่ให้เทวดตรงเทวดาที่ก็ไม่เดือดร้อนไปแผ่ให้เขาทำไม เทวดาเขาสบายกว่าเราไม่ต้องไปแผลเขาหรอกแผลกับคนที่เขาเดือดร้อนทุกข์ยากช่วยเหลือกันให้เขามีความสุขหรือคนที่เขาจะโกรธเกลียดเราก็อย่าไปเป็นศัตรูกับเขาอย่าไปจองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันเอออันนี้แหละเรียกว่าแผลเมตตาเพราะแผลแล้วมันจะทําให้ใจเราสงบทําให้เรามีความสุขคำ ถ, ถามจากคุณ จะรู้วัดนะครับสติหมายความว่าอะไรครับแตกต่างกับความคิดอย่างไรเป็นการเพ่งใช่หรือไม่ครับแล้วสตินั้นสามารถมีได้เฉพาะการกําหนดรู้จุดเพียงจุดเดียวเท่านั้นเหรอครับเช่นเวลานั่งสมาธิก็กําหนดที่ลมหายใจให้รู้แค่เข้าออกถ้าอย่างนั้นบางเวลาที่ต้องทํากิจกรรมหลายอย่าง ในเวลาเดียวกันเช่นสัมภาษณ์งานลูกค้าเราต้องทำหลายๆอย่างทั้งเขียนโน้ตฟังลูกค้าพูดทำความเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าพูดถามลูกค้าแบบนี้ถือว่าเราไม่มีสติหรือครับหรือสติสามารถมีได้หลายๆที่พร้อมกันใช่หรือไม่เออสติที่เราต้องการก็ให้สติอยู่กับเรื่องเดียวไม่ใช่อยู่กับหลายเรื่องให้ไม่ให้คิดหลายเรื่องให้ ใ ห, ให้รู้เฉยๆให้หยุดความคิดนี่คือสติที่เราต้องการให้เป็นสติตัวรู้เฉยๆไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้หยุดความคิดต่างๆเรียกว่าเป็นการมีสติเพื่อจะทำจิตให้สงบให้เป็นสมาธิถ้ามีสติอยู่กับการคิดการทำงานมันก็ไม่สงบต้องให้มีสติอยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียว ออยู่กับพุทโธอย่างเดียวเนี่ยมันถึงจะสงบได้คำถามจะกคุณสุวิมนนะครับหาคู่รักมีเหตุต้องเลิกกันทั้งที่ยังรักกันด้วยฝ่ายหนึ่งยอมรับนิสัยของอีกฝ่ายไม่ได้คนที่ยังรักและมีสติมากกว่ามีทิฏฐิน้อยกว่าควรหาทางประสาน ร, รอยเล้าของความสัมพันธ์ต่อไปอีกไหมหรือควรปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรม ก็ตามใจเนี่ยอยากจะทำยังไงก็ทำไปเลยมาถามเราทำไมคำถามจะคุณหยาดทิพย์นะครับ ดิฉันเป็นโรคนอนไม่หลับทุกวันนี้เป็นเกือบทุกวันหรือหลับนอนวันละ 3-4 ี่ชั่วโมงการทำสมาธิช่วยได้ไหมแต่ลองทำก็เผลอคิดโน่นคิดนี่ไม่ใช่เวลาคิดแต่เพราะมันนอนไม่หลับมันเลยทำให้ฟุ้งซ่านแต่ละวันทรมานมากมีธรรมะข้อไหนช่วยให้ดิฉันได้หรือเปล่าคะนีก็ต้องมีสติไง นี่เราไม่มีสติจิตมันก็เลยฟุง้งซ่านคิดอยู่เรื่อยๆ เ, เหมือนรถที่ไม่มีเบรกรถที่วิ่งลงเขาไม่มีเบรกมันจะหยุดได้ไงมันก็วิ่งไปเรื่อยๆถ้าอยากจะให้รถมันหยุดก็ต้องใช้เบรกถ้าอยากจะให้หยุดคิดก็ต้องใช้สติให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธอย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็หยุดไปเอง ตอนนี้คำถามหมดครับแต่มีโยมถามมาว่ า, าโยนิโสมนสิการาช่วยพระอาจารย์ช่วยอธิบายไหนครับไม่รู้ภาษาบาลีต้องไปเปิด Google ดูตอนตอนนี้คำถามอ๋อยังหมดหมดอยู่ครับพระอาจารย์นก่อนก็ได้นั่งสมาธิไปรอคำถามไปหรือใครอยากจะถามก็ถามได้ ใช้เรื่องแผ่เมตตานี่แหมพูดกันไม่รู้กี่รอบแล้วชอบแผ่ตอนที่ไม่มีคนรับนึกเกินมันมันแผ่ง่ายบางตอนที่ไม่มีคนรับไอตอนนี้มันมีคนรับนี่มันแผ่ยากตอนที่ต้องฟักกระเป๋านี่มันแผ่ยากถึงแผกันแค่ปีละหนเนีอข้อสอส่งความสุขปีใหม่ค่อยแผ่กันสักครั้งหนึ่งซื้อของขวัญให้กันะตอนนั้นแผ่เมตตาแล้วมันต้องแผ่ทุกวันเย อย่างญาติโยมชาวบ้านเนี่ยเขาแผ่ทุกวันเขาใส่บาตรทุกวันเนี่ยเขาแผ่เมตตาให้กับพระทุกวันพราไปบิณฑบาตเนี่ยเขาก็เอากั บ, ข, กบข้าวกลับปลาอาหารให้เนี่ยแสดงว่แาแผ่เมตตาละนี่แหละคือการแผ่เมตตาที่แท้จริงไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวที่ไหนก็ไม่รู้หลับตาหรือลืมตาแล้วก็แผ่สวดสัพเพสัตตาขอให้สัพพสตว์ประสาททั้งหลายยอ จงไม่มีเวรกันเถิดจงมีแต่ความสุขกันเถิดเนี่ยอันนี้มันเป็นการคิดเฉยๆท่านเอง ย, ยังไม่ได้ทําถ้าอยากจะไม่มีเวรกันก็คือต้องให้อภัยกันเวลาเขามาชนรถเราเสียหายเราบอกไม่เป็นไรไปเถิดให้อภยัย อ, อย่าเสียเวลาเลยจอดขวางทางบอกป่ า, ปาเคลียร์ถนนรีบไปกันดีกว่ารถเขาจะได้ไม่ติด อต่างคนต่างซ้อมกันไปก็แล้วกันเอแค่นี้นี่ก็เรียกว่าแผ่เมตตาแล้วไม่ใช่มานัา่งเถียงกันปากเปียกปากฉีกตาดาตาแดงจะเอาเป็นเอาตายกันให้ได้จะเอาผิดเอาถูกกันให้ได้อย่างนั้นมันไม่ได้แผ่เมตตาเนี่ยมันจะแผ่ความโกรธความเกลียดกันเนี่ยเวลาแผ่เมตตามันต้องมีเหตุการณ์มีบุคคลเอ ไม่ใช่แผ่แบบนั่งคิดคิดเฉยเฉยสับไ ป, ปสัตตาสับ ป, ปะระศัสทั้งหลายทั้งปวงจงไม่มีเวรกันเถิดเนี่ยมันแล้วมันไม่มีเวรกันหรือเปล่ามันทําสงครามกันทั่วโลกไปหมดเนี่ยเวลาจะทําสงครามก็ต้องหยุดสิบอกให้ไ hey, ม่เอาทําสงครามนี่ไม่ได้แผ่เมตตาถ้าแผ่เมตตาก็ต้องไม่ทําสงครามกันทุกคนถอยล้งกลับหันหลังให้กัน อย่าประเชิญหน้ากันอย่าทำลายกันอย่าทำร้ายกั น, ำกนคำถามสกุลแอนนานะครับเวลานั่งสมาธิเราพิจารณาสังขารตัวเองทำถูกไหมคะไม่ถูกเวลานั่งสมาธิไม่พิจารณาออให้เพ่งอยู่กับพุทโธแล้ว อ, อยู่กับลมหายใจไม่ให้คิด เ, ออเวลาพิจารณาเรียกว่าเจริญปัญญาออคำถามากุณ ชุดมนนะครับการที่เราให้อาหารหมาแมวจรจัดแล้วท่องสัพเพสตาถือว่าเป็นการแผ่เมตตาด้วยไหมคะไม่ต้องท่องก็แผ่อยู่แล้วเนี่ยการให้อาหารสัตว์นี่ก็เป็นการแผ่เมตตาแล้วท่องหรือท่องหรือไม่ท่องมันไม่เกี่ยวกันท่องไปกระเทานั้นไม่ท่องกระเทานั้นมันอยู่ที่การกระทาถ้าเราให้อาหารสัตว์ให้อาหารพระนี่เราก็แผ่เมตตาแล้ว คำถามเจ้าคุณดาราดนะครับสติสัมปัญญะและอิริยาบถกำหนดจิตแตกต่างกันอย่างไรคะสติก็คือให้เล็เลือ้ออยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธไปถ้าอยู่แล้วเผลอก็เรียกว่าสติเกิดดับเกิดดับถ้าอยู่อยู่กับเรื่องเดียวได้อย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าสัมปัญญะพุโทโธต่อเนื่องไม่ไปคิดอะไรไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าคิดก็เรียกว่าเผอสติพอกลับมาที่พุทธโธก็เรียกว่าดึงสติกลับมาแต่ถ้ามีสติอย่างต่อเ น, นื่องมีอยู่พุทธโธอย่างต่อเ น, นื่องก็เรียกว่าเป็นสัมปะชัญญะไปการดูจิตก็อย่างที่บอกมันยังไกลเกินไปอย่าเพิ่งไปสนใจเลยอดูพุทธโธให้ได้ก่อนเนยให้มันจับพุทธโธให้อยู่ก่อนแล้วค่อยไปจับอย่างอื่นต่อไป เนี่ยพอฟังเทศฟังธรรมอ่านธรรมะหูสูงรู้เรื่องหมดเลยก็อยากจะทําหลายอย่างพร้อมๆกันเลยเอาทั้งสติเอาทั้งสัมปะชัญญาเอาทั้งดูจิตเอาทั้งมรรคผลนิพพานเอามันรวมกันหมดเลยโดยไม่รู้ว่าจะเอาวิธีจะเอามันนี้ทำอย่างไรแล้วก็เลยไม่ได้เลยสักอย่างได้แต่ความสับสน